ถ่ายเป็นเลือดนั้นข้าพระเจ้าแบกปืนหนักเกินกําลังไปที่ลานวัดขณะนั้นเป็นฤดูฝนข้าพระเจ้าหลบขุมปวกลม้มลงคุกเข่าทันพร้อมทั้งทิ้งปืนทันด้วยกระทบกระเทือนหัวใจแต่ก็ไม่ได้รักษาพยาบาลอะไรอยู่มาไม่กี่วันก็หายเจ็บหายปวดแต่อยู่ต่อมาอีกประมาณกึ่งเดือนก็ถ่ายเป็นเลือดออกเป็นริ่มๆเท่านิ้วมือในขณะที่ถ่ายนั้นไม่ได้ปวดท้องอันใดเลย จถ่ายวันหนึ่งหนึ่งหลายหลายครั้งถ้ารวมการถ่ายเป็นเลือดเป็นแท่งออกนั้นก็คงจะได้ประมาณครึ่งกระถนุนถ้าพระเจ้าก็รู้สึกเหนื่อยมากในวันที่ถ่ายนั้นเองก็นอนลงที่กุติของตนนอนตะแคงข้างขวาเอาเท้าซ้อนกันเอามือขวายกขึ้นแนบ ก, กับหมอนแล้วเอาแก้มลงทับมือมือซ้ายเหยียดตรงตามล่างกายนึกในใจว่าเราเห็นแต่ท่านผู้อื่นตายเราไม่เคยเห็นเราตายบัดนี้ เราจะจ้องดูเราตายมันจะตายพร้อมกับลมออกหรือลมเข้าถ้าพระเจ้าจึงตั้งสติไว้ที่ลมมากระทบออกเข้าแล้วก็บริกรรมพร้อมกับลมออกเข้าบริกรรมว่าตายตายตายติดต่ออยู่ไม่ขาดใจประมาณสิบห้านาทีแล้วพิกจิตว่าทมของพระองค์จะตายไปที่ไหนจะแตกตายเป็นก็แต่สังขารเท่านั้นแล้วก็พลิกบริกรรมใหม่ว่าไม่ตายไม่ตายพร้อมกับลมออกเข้า ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังติดต่ออยู่ไม่ขาดสายประมาณยี่สิบนาทีจิตใจก็รวมพืบลงแล้วปรากฏว่าทะลุหลังาคากุฏิขึ้นไปบนอากาศสูงแล้วนอนกระแขงข้างขวาอยู่บนอากาศนั้นตอบตนเองในขณะนั้นว่านี่แหละสมาธิเราไม่ต้องสงสัยดอกจะตั้งอยู่ในที่อากาศนานเท่าใดก็กำหนดไม่ได้ทันหมดกาลังแล้วก็ถอนออกมาการถอนออกมาก็รู้สึกว่า เหมือนกิริยาที่เข้าไปแล้วก็มาเห็นลมออกลมเข้าเบาๆร่างกายก็เบาที่สุดในขณะนั้นการไปถ่ายเป็นเลือดก็จบลงเพียงนั้นและการที่จิตถอนออกมานั้นการนอนตะแคงข้า ง, งขวาก็ อ, อยู่ตามเดิมหาได้เคลื่อนที่ไม่ในขณะนั้นเป็นเวลาสายยาตะวันเย็นประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆแล้วหลวงปู่มั่นกำลังสงนมและตามธรรมดาก็ไม่ไกลจากกุฏิข้าพเจ้า คงประมาณยี่สิบวันธรรมดาองค์หลวงปู่พูดเสียงดังหลวงปู่ก็พูดขึ้นว่าวันนี้ไม่เห็นท่านล่ามาเธอไปไหนไม่ทราบมีพระองค์หนึ่งตอบขึ้นว่าท่านป่วยทายเป็นเลือดขอลับพอท่านทราบอย่างนั้นองค์ท่านก็พูดดังๆขึ้นว่าเอา้าดูดูบัดนี้เธอเข้าจนมุมแล้วจะภาวนาได้ความอย่างไรก็จะเห็นกันในกลาวนี้คลันต่อมาเป็นวันใหม่ถึงเวลาสงา่ง Nam ข้าพเจ้าก็ไปทำข้อวัดกับหมู่เพื่อนได้องค์ท่านและหมู่เพื่อนก็ถามว่าหายแล้วหรือจึงมาข้าพเจ้าจึงตอบว่าหายแล้วขลับแต่ว่านอนหลับคาภาวนาก็ปรากฏว่าห่อขึ้นไปบนอากาศนอนตะแค ง, งข้างขวาอยู่บนอากาศไม่รู้ว่านานเท่าใดจำไม่ได้แล้วก็ถอนออกมาเห็นลมหายใจเข้าออกแบบเบาๆหลวงปู่มั่นตอบว่านั่นไม่ใช่นอนหลับดอก จิตรวมในชั้นอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปตามปิติที่ปรากฏว่าเหาะขึ้นกลางอากาศขวังอยู่ไม่ว่าเต่เท่านี้ในยุคที่อยู่กับหลวงปู่มั่นนิมิตของข้าพเจ้าโลดโผนมากบางทีเดินจงกรมในอากาศบางทีขัดสมาธิในอากาศบางทีตีลังกาในอากาศบางทีเหาะไปทางนอนสารพัดจะเป็นไปแต่ก็ไม่สาคัญตัวว่าเป็นผู้ประเสริฐหมดกาลังแล้วก็ถอนออกมา ทิจารณาลงสู่ตรายลักษณ์ก็เห็นประจับแจ้งไม่สงสัยในยุคสมัยหลวงปู่มั่นพระภิกษุสั ม, มเนมทั้งหลายที่อยู่ในสำนักนั้นต่างก็พิถีพิถันประชันขันแข่งกันทําความเพียรไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนแม้จะคุยกันซุบซิบซุบซิบอยู่ที่ไหนไม่ใช่เสียงก็ดีตาลบกันแต่เรื่องภาวนาเป็นส่วนมากเป็นของหาได้ยากมากในสมัยโลกดาวเตรียมปัจจุบันนี้อันหนึ่ง พ่อวัดปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นเฉพาะส่วนตัวองค์ท่านการบริหารตนเองเป็นชั้นที่1ลูกศิษย์ที่ขอนิสัยเป็นชั้นที่สองโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นชั้นที่สองค์ท่านตรงต่อเวลาขององค์ท่านมากในเวลากลางวันและกลางคืนแต่ละมือแต่ละวันการที่ข้าพเจ้านำมาเขียนนี้เองก็เพราะเกิดสงสัยว่ายังไม่ได้เขียนไว้ในยุคนั้นๆหรือหากว่าซ้ำซำกกาก เบือหูก็ขออภัยแก่ท่านผู้อ่านด้วยอันหนึ่งยุคผูเจ้าก่อนี้ให้เข้าใจว่าปลาลบแต่เรื่องสองห้าสองสี่คืนหลังลักลักหลันๆลันไม่พิสดาร น, นะแต่พอมาเขียนเพิ่มเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเวลาพุทธศักราชล่วงมาสองห้าสามูนนี้ต่อจากสองห้าสองสี่มาในยุคผูเจ้าก่อนบานหน้าขึ้นมากเพราะมีพระและเนรจำพรนษามากคาว่ามากก็สามสิบกว่ากว่า และก็มีญาติโยมท่านผู้ใจบุญมาจากต่างคิศเช่นกรุงเทพมา ก, ะกะ็ะอาสร้างๆเป็นต้นว่าไฟฟ้าผนทางขึ้นภูเขาและน้ำประปาและศาลาลงธรรมตลอดทั้งห้องน้ำคอนกรีตและห้องน้ำไม้บริบูรณ์พอควรจะถือว่าให้ความสะดวกเหนือวัสนาของข้าพาเจ้าก็อาจเป็นได้แต่ไม่ได้ออกชื่อหรือนามของท่านเหล่านั้นและก็หวังว่าท่านเหล่านั้นไม่ชอบหน้าชอบตา คงจะชอบแต่กุศลผลบุญเท่านั้นแต่ก็คงจะรู้ได้ดีเพราะความลับไม่มีในโลกเรื่องที่ลืมเขียนมานมนานคือฝ่าเท้าขององค์หลวงปู่มั่นทั้งสองทางเป็นตามมากลุกทั้งสองฝ่าเท้าเวลาสองน้ำท่านปลาโลกว่าฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมูเพียงเท่านี้พูดค่อยๆแบบเย็นๆในยุคหนองขือสี่ปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับองค์ท่านนั้นพระเนผู้น้อย ที่ถวายข้อวัดสงนามถวายองค์ท่านนั้นผู้สังวนฟังจึงจะได้ยินเพราะองค์ท่านปราลบค่อยแบบประหยัดไม่แก่บวชส่วนข้าพเจ้าไม่ได้แย้งอาจเอื้อมถูข้างบนถูแต่ระหว่างฝ่าเท้าเสมอเสมอจำพวกที่ถูหลังตัวแขนขาฝ่าเท้านั้นมักจะเป็นพระสี่สาสองพันษาเท่านั้นที่ได้ถูพระผู้ใหญ่เหนือขึ้นไปคือห้าหก เจ็แปเก้าพันษาไปแล้วไม่ค่อยจะได้ถูตัวแขนขาเพราะองค์หลวงปู่มั่นเทวะว่าการสงน้ำนี้เว้นไว้ให้พระผู้น้อยเขาสงเสียถ้าพระผู้ใหญ่มาทําขวางผู้น้อยผู้น้อยเขาก็ละอายเกือ้อเขินเพราะเขาไม่มีทางจะเอื้อมมือเขา้าและเขาก็กระดาษอายดังนี้ส่วนท่าพระเจ้าพันษาอ่อนแต่อายุสามสกว่าในสมัยนั้นและการที่ท่านปลาลบว่าฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมู่นั้น องค์ท่านปลาลบครั้งเดียวเบาๆเท่านั้นไม่ได้ซ้ำๆซากๆอีกส่วนข้าพเจ้าผู้สงวนถูฝ่าเท้าก็เห็นป็นตาหมากลุกเต็มฝ่าเท้าทั้งสองทางจริงข้อนี้ในชีวประวัติขององค์ท่านเล่มใดๆก็ไม่ปลากดเห็นเลยและยุคที่องค์ท่านทรงพระชีวาอยู่ก็บรรดาลดนใจไม่มีใครสนใจปลาลบน่าแปลกมากข้าพเจ้าก็บรรดาลลืมอีกด้วยเรียกได้ว่า ข้าพเจ้าไม่มีพยานก็ว่าได้แต่เอาตาหูตนเองเป็นพยานยุค ก, ก, ก่อนก่อนก็ไม่มีท่านผู้ใดเล่าให้ฟังชะลอยจะว่าดีชั่วไม่อยู่กับฝ่าเทา้าอยู่กับใจกับธรรมเรื่องฝ่าเท้าขององค์หลวงปู่มั่นเป็นตามากลุกนี้เป็นของสงพระลักษณะสำคัญมากและก็น่าสนใจมากฉะไหนจริงบรรดาไม่ให้พระจำพวกผู้ใหญ่สนใจเอาลงในชีวประวัติกลายเป็นของไม่สาคัญไป จลอยพระผู้น้อยที่เห็นในเวลาสงน้ำถวายแล้วไม่เล่าถวายให้พระผู้ใหญ่ฟังแต่ข้าพรเจ้าเองก็บันดาลลืมไม่ค่อยสนใจเล่าเลยแต่พอมาถึงยุคผู้เจ้าพ่อตอนแก่กว่าเจ็ดสิบแล้วจึงระลึกเห็นเป็นของหน้าแปลกมากแจ๊ะที่ลืมพาันลืมเขียนลงแต่กล่าววงค์สั้นทรงพระชีวาอยู่ก็ดีหรือทรงพระมรณะกาเลก็ดีไม่มีสั้นผู้ใดสงวนปรารลบ ก็เป็นของคล้ายกับว่าอุจติเลขึ้นภายหลังแต่ก็ต้องอาศัยหลักของความจริงไม่หนีจากความจริงเฉพาะตอนนี้เป็นพยานจริงก็ต้องเอาจริงเป็นพยานเ ท, ท็จก็ตรงกันข้าชีว่าประวัติยุคผูเจ้าก่เป็นยุคสุดท้ายภายแก่ชราอาพาธถ้าไม่มอลนากาเลไปเสียแล้วชีว่าประวัติก็จะไม่จบลงได้แต่จะอย่างไรก็ตามทีเถิดต่างจะได้พิจารณาว่า เจตนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรบ้างเหล่านี้เป็นตน้นแต่บรรยายพอสังเขตก็เอาละจะบรรยายไปมากก็จะเป็นหลายวักหลายตอนและก็ความพอดีพองามในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ระดับใดแน่แท้ถ้ามากเกินไปเล่มก็ใหญ่ลงทุนก็มาท่านผู้อ่านก็จะละอายอีกหน้าพิจารณาและก็คล้ายๆกับว่าตนเป็นผู้กระเสริฐเลิลำ้ำและทังไม่ดัง ก็ตีจนละคั้งแตกแต่จะอย่างไรก็อาศัยเจตนาเป็นเคียนก็แล้วกันกำมังขอจบเพียงเท่านี้แล้วคิลิมานนทสูตรมวนที่หนุเอวัเมสุตังเอกังสัมมะยังภะคะวะสาวัติยังวิหารติเชตะวเนอนาถบินทิกัสสะอาลาเมะตัดลรโสอายะสัมมาคิลิมานนโดอาพาทิโกโหติติบัดนี้ จักแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกาหนดไว้ว่าคิลิมานนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังขายนาพระมหาสังขารหกเถรเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ย่อนโอกาสไว้ให้พระอานนง อ, องหนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอาหนง อ, องค์เดียวกําลังเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้สําเร็จพระอาหารหันต์ขั้นพระอานนงเถรเจ้าได้สําเร็จพระอาหารหันต์แล้วก็เข้าจตุทฌาน เอาปรทวีกสินเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสง์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตคุณที่ถ้ำสัตตบัญณัคูหาปฏิยานตนอาเสกภูมิด้วยประการชนีพระมหาสังขารหกเถระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัตสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานน์ขึ้นนั่งเหนือธรร ม, มะแสดงพระสุดตันตปิฎกยกขิลิมานนทศสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้ พระมหากัตสปเถระเจ้าจึงถามพระอานนนว่าอานันดาดูก่อนอาห น, น์พระสูตรอันชื่อว่าคินิมาหนนทศสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปาราลบอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิสฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอาห น, น์เจ้าจงแสดงต่อไปในการระบัดนี้อัทโข อ, อายัสมะฮานันโด ลำดับนั้นพระอาณนทเส ล, ละเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมิได้โอกาสแดกพระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสุนีมีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าเอวัมเมสุตังดังนี้ข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่าอานน์หากได้สดับมาแต่พระโอบแก้วกล่าวคือพระโอษแห่งพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินความว่าเอกลางสมะยังสมัยกาลขาดหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จสำลานพระอิริยาบทอยู่ณพระเจตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในการลานั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคินิมานนทเถระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์เข้าไปยังสํานักเห็นตนแล้วจึงกล่าวว่าอานันดาดูกร อ, อานนท์ ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิลิมาโ น, นนี้บังเกิอดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระพาภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอาโนนนำอาการอ า, าพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราดทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระพาภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงพระมหากรุณาสงฆ์ขอให้ทุกขเวทนาเจ็ดปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิลิมานนนีระงับอันตรทานหายเถิด ข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่าอาโ น, น์รับเสียลวาจีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าการทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคําสั่งของพระคิริมาโนนให้ทรงทราบทุกประการอธิถถโธในการระคำนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมาโนนดังนี้แล้วจึงตรัสแก่ข้าอาโ น, น์ว่าอานันดา ดูก่อนอานอนท่านจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านคิริมานนโดยเร็วแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าวิสุทธจิตเตอานันดาเดาเวสัญญาสุตตะวาโสอาภาโทฐานาโสปฏิปัตสัมเพยยะดังนี้ดูก่อนอานอน์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมานนแล้วท่านจงบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่ง คือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือน้ําได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีก็ให้ปรงทุลาเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้ง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 ถึงเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากก็จิตเจตสิกเป็นของเราหรือเป็นเราก็จับบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสาราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จักพึงได้ตามปรารถนานี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขา เ่าะเหตุล่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้ปลงทุเลเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนและของของตนเกิดดูก่อนอาน o ์ท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิลิมาโ น, นนแจ้งทุกประการเมื่อพระคิลิมาโ น, นนแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนา ก็มักจับหายจากสลีละร่างกายแห่งพระคิริมานนทิสิสร็จหาเศษว่ามิได้จับหายโดยรวดเร็วด้วยพันเตอริยะกัตสปะข้าแต่พระอริยะกัตสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้ชื่อว่าอานอนท์ด้วยประการดังนี้แหล่ตรนั่ตลังลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าสืบต่อไปว่าอานันดาดูกร อ, อานอนท์ ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิจฉานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวตนและตัวสัตว์จะหาสินใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสินสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้บุคคลหญิงชายคลือหัดนักบวชทั้งหลาย มาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามเจตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จะมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัสขะสามเณรท่านพิจารณาแต่คำว่าอัตติมินชังเยื่ในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัติกสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสลุ่งเลืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัติกาสัญญาเป็นอารมณ์ เห็นอนัตตาแจ้งแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานน์มละนาสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัติกะสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมูนนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลําไส้น้อยลําไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็น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 มีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั้นแหละนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาค ต, ตแสดงมานี้เป็นลิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก อ, อานนท์นปราดทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญา ท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านย่อมถือเอาอาสุภะในตัวตนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอาสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอาสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้ดูกร อ, อานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพาน จงยังอสุภกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเกิดคันไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเหล่านี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนั้นถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอาสุภแท้หากมีหนังหุ้มไว้ถึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเหล่านี้จะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้ว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 ถือบุตรภรรยาและข้าวของเ ง, งินทองเครื่องอุโปโภคบริโภคทั้งพวง ก, ก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลขวาก็จะได้เห็นบุตรภรรยาและนัดดาก็กหามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าชาหาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองมีได้ดูก่อนอานน์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32สองโกฏิสาสเห็นซาผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพาน วิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลําดับคือให้ปรองจิตลงในเกสาให้เห็นเป็นอสุภาแล้วให้สําคัญในเกสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปลองจิตให้เห็นเป็นอสุภาษเป็นอนัตตาแล้วเอานาขาธรรตาตั้งลงปลองจิตให้เห็นเป็นอสุภาเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลําดับไปจนถึงมัตดเกมัถทะลุงทังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภาษ เป็นอนัตตาโดยในเดียวกันจูก่อนอานนท์เราสถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องไกลแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนื่องชาท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงใน อันนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่จเจริญอสุภกรรมาฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเปลือยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชาย ทั้งวัตถุเครื่องของดีงามปานีปันจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความหลักทั้งข่วงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังกัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จ ะ, สะเสวยสุขมีจะได้สเสวยทุกโดยทายเดียวผู้มีปัญญา เมื่อได้จเจริญอสุภานุสติกรรมฐานเอาทวัตติงอาการ32สองเป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดสูญเมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงส์ไม่ได้เพราะละกิเลสตัณหาไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหลีออกหนีจึงจะพ้นจากความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเพลิง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 ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียไมิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังเป็นผู้ไม่พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้มิได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้น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 เป็นที่ส่งวัยซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้ที่มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใ จ, จเจริญสมถะวิปัสสนาอยากให้หลงโลกหลงทางถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จัะหลงขึ้นไปในอารูปภพชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทาบุญกุศลทั้งหลายนั้น มิใช่ว่าจะทำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทำเพื่อระ ง, งับดับ ก, กิเลสตัณหาอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทำเพื่อระ ง, งับกิเลสตัณหาแล้วจึงจกไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ตนเงาเขาหมุนของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานเท่านั้นตาดะนันตะลังในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอ า, อ, อานนดดูกอานนท์นิพพานังนัคลานามอันชื่อว่าเมืองพระนิพพานนั้นย่อมตั้งอยู่ในที่สุดที่แห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอังใหญ่เป็นที่บรมบสุขาที่เปรียบนี้ได้ คำว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นไม่ได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ําก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดิ น, นนี้มีน้ําลองลมนั้นหนาได้เก้าแสนสี่หมื่นยอดสาหรับหองน้ำไว้ใต้ลม น, นั้นลงไปเป็นอนากาศหาที่สุดมีได้ที่สุดโลกเบื้องต่ําก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้นมีอนันต์จักรวาลเป็นเขตนอกอนันต์จักรวาลออกไป ก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันต์จั ก, กรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจั ก, กรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปปภมเป็นเขตเพราะอารูปปภมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นนิพพานภมหรือ น, นิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโล ก, กุตตะลนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออรูปปภมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่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 เมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่ง น, นั้นแห่ง น, นี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นอาจมีอยู่ในที่สุดของโลก